พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจดลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบเจดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าทำงานเพื่อบูชาคุณวันนี้เป็นวัน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 ขอไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตตาสงสารเป็นอนันตการอันนี้คือความมุ่งหวังมีความตั้งมั่นของพวกเราเพราะนั้นผมเองก็เป็นผู้นำหม่นำคณะนะสิ่งไหนที่จะเป็นเป็นริเป็นมงคลสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพวกเราท่านทั้งหลาย ผมจะต้องพยายามทําสิ่งนั้นคิดพูดทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างที่ผมได้ย้ําแล้วย้ําอีกนะขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองเนะทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหยุดผู้อยู่กับตั้งใจภาวนาเป็นโอกาสอันดีไม่ขู่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องพอผมมาอยู่นืคนก็หลายก็คงจะห่างาขาดหายไปเหมือนกันแต่ก็ถึงยังไงก็นะต้องพยายาม ดูทางวัดอยาให้ปล่อยปลาละเลยจนเกินไปทางในวัดดูพยายามเดินดูผมเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือพวกมิจฉาชีพเด็กบางคนมันอาจจะดื่รั้นอาจจะขโมยเข้ามาพวกดักปลาดึกหาอะไรนักศึษาอย่างนั้นล่ะขอให้พวกเราช่วยๆกันสอดส่องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกันะให้บอก หมวดติดปวดเอกก็เป็นตำรวจหยุดนี่อยู่แล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราอยู่แล้วเป็นกำลังของเราอยู่แล้วนั่นแหะบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาให้ช่วยช่วยกันดูอย่าไปปล่อยปาละเลยอย่าไปใช้ข่าไม่ใช่นาทีนาทีไม่ใช่ข่ากลัวเขากลัวทําไมกลัวกิเลสไม่ต้องผมให้กลัวกิเลสทํายังไปกลัวกิเลสได้ยังไงให้มันถูกทำ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 ใช้ได้เนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตะแคร่เนี่ยโดยประมาณเท่าไหร่เราจะบรรทุกรถยังไงไปมันต้องได้ใช้นะต้องได้ใช้แน่ๆละ่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานของงานของเราพูดง่ายๆแล้วอาจจะเป็นฝั่งฝอยในครัวอาจจะไปกลางกลุ่มเป็นเต็นเอาไว้สําหรับเลี้ยงอาหารพระ เรื่องอาหารคู่คนที่มาในงานถือว่างานนี้เป็นงานเราเป็นเจ้าภาพก็ว่าได้เราจะไปหลบลหลีกหลีนีไม่ได้แล้วสู้อย่างสุดๆสรุปแล้วเป็นไรหรอกเมื่อเราทําดีแล้วความดีไปไหนมันก็เข้ามาหาสู่พวกเราท่านละเอาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราผมทมํามานี้ผมไม่เคยคิดว่าผมล่มจมจิบหายนะ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 เราจะทืนเราจะคืนทุนให้ใหผู่นขนาดนั้นลงตาหมหาบัวทันท้า เ, เพราะนั้นเวลาการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเมันไม่เคยที่จะล่อยลอ่ออับเฉาจิบหายลงไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความไม่ขาดไม่ฝันไม่ขาดไม่คิดไม่ฝันมันทะลักเข้ามาโดยที่ เ, <ม>เกินกว่าที่ที่เราจะคิดไว้ แต่ข้อสําคัญเมื่อเราทำอะไรอย่าไปคิดหวังนั่นะเ อ, อเราทําไปแล้วทํา ไ, ม, ไม่ได้คืออย่างโน้นอย่างนี้อย่างงี้นกะ็ไม่ต้องคิดทําไปแล้วคือถูกต้องไหมนี่เหมาะสมไหมนี่เป็นธรรมไหมนีเออ่เท่านั้นละ ว, วางลงไปเลยปลูกลงไปเลยฝังลงไปเลยในเนื้อนาของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในการเสียสละ อ, อมันไม่ไปไหนหรอกออมีแต่เจริญงอกเงย ไม่มีความจิบหายวายปวงถ้าว่าทำเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นแหละจิบหายจิบหายทำไปเท่าไหร่ก็นั่นนหะมันไม่นั่นแหะพอมองมองดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ทำ่ะพูดง่าย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 ยังคอยแยกย้ายกันนะ